บุญกุศลใดๆที่เราทำให้มันมีไว้ในใจแล้วนั่นละ่ะมันเลิศ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 ก็ต้องทิ้งมันเสียความดีก็ต้องทิ้งมันเสี ย, ต, สยต้องละมันเหมือนกันคือไม่ต้องหมายมั่นมันหลวงพ่อชาสุภะโทรเรื่องแรกที่อยากจะแบ่งปันกับเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราก็คือเรื่องที่เราได้ไป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 ถ้าเราใช้ชีวิตแบบธรรมชาติการทำงานเนี่ยอย่าน้อยเราก็มีสติตามสัตเจียนอยู่แล้วสติตามธรรมดาธรรมดานี่แหละการจะนั่งอเราก็มีสติรู้ว่าเรากำลังนั่งกำลังจะเลื่อนโตะ๊ะเลื่อนเก้าอี้จับกระดาษจับปากกาออกมาเราก็มีสติอยู่กับการเคลื่อนการไหวของร่างกายการที่จ ะ, จะเตรียมที่จะเขียนได้ลงไปเนี่ย จะวางแผนต่างๆแล้วก็มีสติอยู่ว่าเรากาลังทําอะไรในขณะปัจจุบันนั้นเนี่ยเรากําลังทําอะไรเนี่ยมันก็มีสติอยู่ในตอนนั้นทำมันคิดวางแผนว่าจะวางแผนงานอย่างไรจะทําอย่างไรเนี่ยขณะที่กําลังคิดวางแผนเนี่ยถ้าเราตั้งใจคิดด้วยสติไอ้ความคิดนั้นก็เป็นระบบเป็นระเบียบแทนที่จะกําลังคิดวางแผนแต่ใจเราเนี่ยเริ่มปรุงแต่งไปในอนาคต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 ในส่วนที่เราไม่ตั้งใจคิดเนี่ยคือสิ่งแปลกปลอมที่จอรมาสู่จิตเป็นครั้งคราวแล้วเราจะเชื่อตัวไหนเชื่อตัวที่คิดไม่ตั้งใจคิดที่เป็นแขกแปลกปลอมมาหรือเราจะเชื่อความคิดที่เราตั้งใจคิดด้วยการวางแผนงานคือทำด้วยสติไอ้ น, นี่ถือว่าเป็นการเจริญสติแล้วนะแต่เป็นการเจริญสติแบบธรรมดาธรรมดาไม่ให้หลงไม่นอกจากปัจจุบันไปสู่ ความกังวลในอนาคตใช่ไหมเราก็คิดได้คิดด้วยสติเนี่ยเราให้คิดเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วก็หยุดคิดได้เพราะฉะนั้นการเจริญสติขณะทํางานเนี่ยเราสามารถทําได้ทั้งรู้เรื่องของกายและก็รู้เรื่องของจิตด้วยขณะทํางานมีสติอยู่ในแดนงานของเราแต่ถ้าความคิดปรุงแต่งในเรื่องราวต่างๆแล้วเราก็มีสติรู้ทันว่าออนี่เป็นความกังวลนะ การรู้ทันในความคิดแต่ละครั้งเนี่ยทำให้จิตได้พักผ่อนพอรู้ความคิดมันก็จะหยุดหยุดปรุงแต่งมันก็ไม่ทำงานแล้วก็ตั้งใจคิดของเราต่อไปเพราะนั้นกายเคลื่อนไหวใ น, นอาจทำงานก็มีอยู่อ้าเราก็เติมสติลงไปได้จิตใจที่มันคิดนึกในขารทำงานก็มีอยู่ถ้าเราเปสติรู้ทันก็ใช้ได้อันนี้จะเป็นการทางานไปพักผ่อนไปในตัวด้วย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 พอมีความหวังว่าจะต้องเป็นงย่านงนี้เนี่ยเราจะเป็นทุกข์เลยการทําความดีแต่ละครั้งเนี่ยขณะทํำเนี่ยดีไปแล้วขณะทํารรดีใจมันก็ดีวาจาก็ดีกายก็ดีถูกอยู่ตรงนั้นแล้วส่วนผลนั้นไม่ต้องไปรอจะเป็นยังไงนั้นไม่ต้องไปรอเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยึดติดในความดีเนี่ยไม่ถึงว่าจะต้องดีอย่างที่เรายึดติดเนี่ยมันจะเป็นปัญหาถ้าเราทําความดี แล้วก็เออเรียกปล่อยวางแล้วเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆเป็นการสะสมความดีแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวนี้ละ่ะจิตจะได้พ้นออกมาจากความยึดติดในความดีความดีทําไปเถอะแต่ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าทุกอย่างมีต่การเปลี่ยนแปลงไอ้ความไม่เที่ยงทั้งหลายเนี่ยความดีก็ไม่เที่ยงในเบื้องต้นเนี่ยชั่วให้ทิ้งดีให้ทําแต่พอทําไประยะหนึ่งแล้วแม้แต่ ความชั่วหรือความดีก็ต้องวางเอาไว้ครับมันจะกลายเป็นเราดีแล้วเราดีนี่มันอันตรายนล้ตัวเราเองจะทุกข์ใจเองเนี่ยมิหน่าอาจารย์คะหลายคนเลยทีเดียวค่ะพอทําความดีไประยะหนึ่งแล้วก็ท้อถอยพ่าทาดีแล้วไม่ได้ดีก็เลยไม่อยากจะทําดีละ บ, บางคนก็ทําความเพียรภาวนาทําไปสักพักหนึ่งก็ท้อถอยทําแล้วไม่เห็นได้ผลอะไรเลยเลิกดีกว่านี่แหละ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 ก็มีสติแล้วมันก็จบอยู่เพียงแค่นั้นแต่เราบอกพลิกมือปับ๊บไม่เห็นมันจะพ้นทุกข์เลยยกมือขึ้นรู้สึกตัวปับ๊บเห็นจะนิพานเลยเพราะเราไปหวังว่าจะต้องได้อะไรมากกว่าตรงนั้นไปหวังผลคาดหวังมากเกินไปจริงๆแล้วเราควรทําแค่เพียงได้ทําก็พอแล้วใช่ไหมคะ่ะอาจารย์ได้ทําความ <c oughs> ดีได้ฝึกจิตใจของเราให้พัฒนาไปในทางที่งามนะคะ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 มันข้ามขั้นตอนไปแล้วมันต้องได้พืชผักก่อนสิแล้วจึงเอาพืชผักนี่ไปขายแล้วได้เงินทํามากๆได้เงินมากๆ ก, ก็ถึงจะรวยเอ๊ะแล้วก็สงสั ย, ยปลูกผักไม่เห็นรวยเลยก็ปลูกผักไปจะได้ความร่ํารวยได้อย่างไรไม่เกี่ยวยปลูกได้น้อยๆแล้วก็ขายผักไม่ได้เลยคเพราะฉะนั้นมันต้องจักขั้นตอนในการการทำเราปลูกผักโอ้เราได้ปลูกแล้วอาจจะยังไม่ได้ผักนะแต่ได้ปลูกขั้นตอนเนี้ย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 ให้มีความเพียรมีความขยันในการเจริญสติมีสติมีสัมปชัญญะถอนความยินดียินไายในโลกออกเสียได้เพราะฉะนั้นเพียงขยันหมั่นเจริญสติทนั้นเนยเราจะสามารถรู้ทันความยินดียินไา้แล้วก็จะเอาชนะได้ด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตก็จะเป็นอิสระจิตเป็นอิสระแล้วก็เหนือดีเหนือชัว่วแล้วค่ะถึงที่สุดแล้วเรา